จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษตทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันศุกร์ที่ 7. ส7เจมษายนพุทธศักราชสองพันห้าห้าสบเป็นวันพระวันธรมรมสวนะัสดวันฟังธรรมเป็นวันที่สาธุชน พุทธบอยัได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อเป็นการเติมกาลังให้แก่จิตใจจิตใจก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่ต้องคอยแวะเติมน้ำมันอยู่เรื่อยๆเวลาใดที่น้ำมันหมดรถยนต์ก็จะไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ จิตใจก็เช่นเดียวกันถ้าจิตใจไม่ได้เติมบุญเติมกุศลอยู่เรื่ อ, อยๆก็จะไม่มีกำลังใจก็จะไม่สามารถทำอะไรให้สาเร็จรู้งเรืองทำอะไรให้ฝันฝ่าอุปสรรคอะไรต่างๆไปได้แต่ถ้าคอยเติมบุญอยู่เรื่อยๆคอยมาวัดอยู่เรื่อยๆ มาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมใจก็จะมีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไปก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆพบกับความสุขและความเจริญตามลำดับจนถึงความสุขความเจริญขั้นสูงสุดได้นี่คือความจำเป็นของพวกเราทุกคน เาจิตใจของพวกเรานี้ต้องการบุญต้องการกุศลไม่เหมือนกับร่างกายที่ต้องการอาหารต้องการที่อยู่อาศาาัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งหง่มแต่จิตใจของพวกเรานี้ต้องการทําบุญให้ทานต้องการรักษาศีลต้องการทําใจให้สงบต้องการความสว่างของปัญญาที่จะ นำพาชีวิตของเราให้ได้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดตามลำดับต่อไปดังนั้นทุกวันพระพระพุทธเจ้าจึงต้องบัญญัติวันธรรมะสวนาขึ้นมาวันธรรมะสวนาก็แปลว่าวันฟังธรรมวันฟังธรรมนี้เป็นวันสำคัญอย่างมากเพราะการฟังธรรมนี้เป็นเหมือนกับการดูแผนที่ พวกเรากำลังเดินทางกลับบ้านของเราถ้าเราไม่มีแผนที่เราจะหลงทางเราจะไม่รู้ว่าบ้านของเราอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเรามีแผนที่เราก็จะสามารถเดินทางกลับถึงบ้านของเราได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องหลงอยู่กับการขับรถบนท้องถนนไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด การฟังธรรมนี้เป็นเหมือนกับการเปิดแผนที่การมีแผนที่นี้ก็เป็นเหมือนกับการปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคำสอนของพระอริยสงสาวกถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พวกเราจะไม่รู้จักทางที่จะพาให้พวกเราได้กลับไปถึงบ้านของเราอย่างปลอดภัย เราก็จะติดอยู่บนท้องถนนขับรถไปเวียนมาอยู่ไปเรื่อยๆอย่างที่เราเคยเป็นกันอยู่และยังเป็นอยู่ถ้าเราไม่เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะเป็นเหมือนคนขับรถที่ไม่มีแผนที่เมื่อไม่มีแผนที่ก็จะไม่รู้ทาง ที่จะพาให้เราได้กลับไปถึงบ้านของเรานั่นเองแต่ถ้าเราคอยฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเราก็จะได้รู้จากทางที่จะพาให้เราได้ไปสู่บ้านของเราในที่สุดการฟังเทศฟังธรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเป็นมงคลอย่างยิ่งกาเลนธรรมะสวนาเอตัมมังกัลมุตตัง การฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะการฟังธรรมนี้จะได้ประโยชน์ถึง5ประการด้วยกันคือ 1. จะได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. เรื่องที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเมื่อเราได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้น ที่มากขึ้นที่กว้างขวางขึ้น 3. จะกำจัดความลังเลสังสัยต่างๆได้สี่จะทาให้มีความเห็นที่ถูกต้อง 5. จะทำให้จิตใจสงบผ่องใสมีความสุข น, นี่คืออันที่สงหประการที่จะเกิดจากการได้ฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมการจะฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิด อา น, นิสงส์ทั้งหประกาศนี้ได้จำเป็นจะต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบคือจะต้องมีศีนีสมาธิถึงจะฟังเทศฟังธรรมได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ศีลก็คือความสงบกายสงบวาจาอย่างญางติโยมตอนนี้กำลังสงบกายสงบวาจากันอยู่ร่างกายไม่ได้กระทำอะไร วาจาก็ไม่ได้พูดอะไรเรียกว่ามีศีแล้วส่วนใจถ้าไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจจดจอ่อกับการฟังเทศฟังธรรมก็เรียกว่ามีสมาธิแล้วถ้ามีกายวาจาใจที่สงบตั้งมั่นธรรมะที่ได้ยินเข้ามาทางหูก็จะเข้าไปในใจทันที ก็จะไปทำประโยชน์ให้แก่จิตใจเพราะธรรมะนี่แหละเป็นเครื่องบำรุงสุขบำบัดทุกข์ให้แก่จิตใจเหมือนกับยารักษาโรคของร่างกายถ้าเราไม่รับประทานยาเข้าไปในร่างกายต่อให้ยามีความสามารถมีคุณวิเศษมากมายขนาดไหนก็ตามยาที่อยู่นอกร่างกายนี้จะไม่สามารถมา รักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายให้หายไปได้ถ้าอยากจะให้ร่างกายมียามารักษาโรคภัยไข้เจ็บก็จําเป็นจะต้องรับประทานยาพอรับประทานยาเข้าไปในร่างกายแล้วยาก็จะได้ทําหน้าที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอย่างเวลาเราไปหาหมอเวลาที่เราไม่สบาย หมอก็จะให้ยากลับมาถ้าเราไม่กินยาตามหมอสัง่งโรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นอยู่มันก็จะไม่หายแต่ถ้าเรารับประทานยาตามหมอสัง่งพอรับประทานยาหมดโรคภัยไข้เจ็บ ก, ก็จะหายไปฉันใดพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เปรียบเหมือนแสงสว่างเปรียบเหมือนแผนที่ก็จะ เป็นอย่างนั้นถ้าอยู่ภายนอกยังจะไม่สามารถให้ความสวาม่างไม่สามารถชี้บอกทิศทางที่จะนำพาเราไปสู่บ้านของเราได้แต่ถ้าเรานอะพระธรรมคำสอนเข้ามาสู่ใจพระธรรมคำสอนก็จะทำหน้าที่บอกเราให้รู้ว่าเราต้องเดินทางไปทางไหน ไปถึงสียแยกต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาจะบอกทางเราไปเรื่อยๆจนถึงบ้านของเราพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตาสาวกท่านมีธรรมะเป็นเครื่องนําทางท่านจึงได้เดินทางไปถึงบ้านของท่านได้บ้านที่มีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์บ้านนี้ท่านตั้งชื่อว่าพระนิพพาน พรนิพพานก็คือบ้านที่พวกเรากำลังหากันอยู่สิ่งที่พวกเรากำลังหากันอยู่ทุกวันนี้กำลังหาอะไรหาความสุขกันหาวิธีดับความทุกข์กันไม่อยากจะให้มีความทุกข์เกิดขึ้นภายในใจของเราอยากจะให้ใจของเรามีแต่ความสุขตลอดเวลาแต่เรายังไม่ได้เจอตามความปรารถนาของเราใจของเรายังไม่สุขตลอดเวลา ใจของเรายังมีความทุกข์เข้ามาก่อกวนจิตใจของเราเป็นระยะเป็นระยะและก็เป็นอย่างนี้มาตลอดน่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปถ้าเราไม่นอมเอาพ่อธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเอาเข้ามาสู่ใจของพวกเราดังนั้นการฟังธรรมด้วยกายวาจาใจที่สงบจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก เวลามีการแสดงทำนี้ไม่ควรที่จะมีการกระทำอะไรทั้งนั้นไม่ควรที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ควรที่จะพูดคุยกันเพราะถ้าทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำที่เข้าหูเหล่านี้จะไม่เข้าไปในใจมันจะออกไปอีกหูหนึ่งอย่างที่เขามีพูดว่าเข้าหูซ้ายออกหูขวาฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่า กายวาจาใจไม่สงบกายก็ทานูนน่นทานี่วาจาก็คุยกันใจก็คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ถ้าเป็นแบบนี้ฟังไปจนมันตายก็จะไม่เป็นมงคลจะไม่ได้ประโยชน์หประการตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ถ้าอยากจะได้รับประโยชน์อยากจะได้ยินได้ฟังเรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน และอยากจะเข้าใจว่ามีความหมายอย่างไรก็ต้องตั้งใจฟังอย่าไปทำอย่างอื่นญาติโยมบางท่านคิดว่าเปิดซีดีฟังเทพไปแล้วก็ขับรถไปบ้างทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปบ้างอย่างนี้ฟังแล้วจะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่เพราะใจจะต้องแบ่งไปทำหลายหน้าที่ด้วยกันเวลาขับรถก็ต้องคอยดูทาง คอยเปลี่ยนเกียร์คอยเหยียบน้ำมันคอยเหยียบเบ ร, รคอยหมุนพวงมาลัยแล้วก็ต้องคอยฟังทำด้วยมันก็เลยต้องวิ่งไปวิ่งมาธรรมะที่ฟังก็จะไม่ต่อเนื่องเวลาที่ไปดูถนนเวลาที่ไปเปลี่ยนเกียร์เวลาที่ไปเหยียบเบรเวลาที่เลียเยเลเ้ยวซ้ายเลี้ยวขวาธรรมะที่กำลังฟังอยู่ก็จะไม่เข้ามาสู่ใจ ดังนั้นฟังแล้วจะไม่ได้รับประโยชน์เพราะการฟังธรรมนี้ต้องฟังอย่างต่อเนื่องเพราะมันเป็นเรื่องของการแสดงเหตุและผลเหมือนกับการดูภาพยนตร์ถ้าเราดูภาพยนตร์ไม่ต่อเนื่องเราจะดูไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าตัวละัวแสดงตัวนี้มาจากไหนเป็นอะไรกับใครแต่ถ้าเราดูอย่างต่อเนื่องเราจะเห็นการพัฒนาการของตัวละครแต่ตัว ว่าเขามีความสัมพันธ์กันอย่างไรนี่คือเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมแต่ก็ไม่ห้ามถ้าอยากจะฟังเทศดีกว่าฟังเพลงก็ใช้ได้อย่างน้อยก็ตัดกิเลสเรื่องความอยากฟังฟังเพลงไปฟังเพลงไปมันก็ไม่ได้สาระประโยชน์อะไรฟังแล้วมันก็หายไปพอเพื่อเพลินพอแก้เหงาไปวันวันหนึ่งเท่านั้นเอง เวลาใดถ้าไม่ได้ฟังเพลงขึ้นมาก็จะเกิดความเศร้าซ้าซาอยหมายเหงาขึ้นมาได้ถ้าฟังเทศเพื่อแก้เรื่องของการติดฟังเพลงก็ถือว่าเป็นประโยชน์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ประโยชน์ร้อยเซแต่อย่างน้อยก็ได้ตัดความติดการฟังฟังเพลงจะได้ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อเพลงใหม่ๆมาฟังอยู่เรื่อยๆแล้วก็ จะไม่รู้สึกเหงาหรือว่าเวเวลาไม่ได้ฟังเพลงก็เรามีธรรมะฟังฟังธรรมะแล้วจะมีความสุขใจมีความสงบใจแต่ถ้าอยากจะฟังให้ได้ผลร้อยเปรเซน์ก็ต้องนั่งเฉยเฉยอย่าพูดอะไรอย่าทำอะไรใจก็ต้องไม่คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ให้จดจอ่ออยู่กับการฟังเพลงอย่างเดียว ขณะฟังก็ไม่ควรทำสมาธิเช่นไม่ควรบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกเพราะถ้าบริกรรมพุทโธไปก็จะไม่ได้ฟังจะไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังฟังอยู่นี้เป็นเรื่องอะไรมีประโยชน์อย่างไรเวลาฟังเทศฟังธรรมนี้จึงไม่ต้องทำสมาธิเพราะการฟังธรรมนี้จะทำให้ใจสงบเหมือนกับการ นั่งสมาธิไม่จําเป็นที่จะต้องใช้พุโทโธไม่ต้องจำไม่จําเป็นย่อมดูลมหายใจเข้าออกเอาเสียงธรรมนี่แหละเป็นพุโทโธแทนเป็นลมหายใจแทนถ้าตั้งใจจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสกับหูเดี๋ยวใจก็จะสงบเองแล้วการฟังธรรมนี้ก็มีประโยชน์สองแบบฟังเพื่อความสงบหรือฟังเพื่อให้เกิดปัญญาเกิดสัมมาธิฏฐิ ถ้าฟังเพื่อให้เกิดสมาธิก็ฟังไปเฉยๆไม่ต้องคิดตามบางทีเราฟังแล้วเราไม่เข้าใจความหมายของคําพูดของธรรมที่มาเราก็ฟังเสียงไปเรื่อยๆเหมือนกับเราใช้พุทธโธใช้ลมหายใจเราก็ใช้เสียงธรรมที่เราเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนี้ฟังไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดก็ได้ฟังเฉยๆ แล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้แต่ถ้าเราคิดตามได้และพิจารณาตามได้ตามเหตุตามผลที่แสดงได้เราก็จะเกิดปัญญาเกิดความฉลาดขึ้นมารู้ว่าเหตุเป็นอย่างนี้ผลจึงเป็นอย่างนี้เช่ น, นเรารู้แล้วว่าฟังธรรมให้เกิดประโยชน์ได้เต็มที่ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบพอกายวาจาใจสงบ ทำที่เราฟังก็จะทาหน้าที่ให้ประโยชน์กับเราให้กําจัดความสงสัยให้กับเราทําใจของเราให้สงบทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องนี่คือฟังแบบใช้ปัญญาใช้ความคิดพิจารณาฟังเพื่อให้เกิดปัญญาแต่ถ้าเราคิดไม่เป็นพิจารณาไม่เป็นหรือเราไม่เข้าใจความหมายของธรรมที่เราฟังอยู่เราก็ ฟังเสียงทำไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดตามไม่ต้องพิจารณาแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้นี่คือวิธีหนึ่งของการทำสมาธิบางทีเรานั่งพุทโธพุทโธแล้วมันไม่ยอมสงบเพราะใจเราชอบคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเราก็ลองมาฟังทำแทนว่าเวลาฟังทำเราอาจจะได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราสนใจ พอเราได้ยินเรื่องที่เราสนใจใจของเราก็จะจดจ่ออยู่กับการฟังพอจดจ่ออยู่กับการฟังไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็สงบได้พอใจสงบเราก็ปิดเสียงธรรมแล้วเราก็มาดูลมหายใจต่อก็ได้นี่คือวิธีฝึกนั่งสมาธิใหม่ๆถ้านั่งดูลมหายใจไม่ได้บริกรรมพุทธโธพุทธโธไม่ได้ก็ฟังธรรมะไปก่อน เปิดเทศฟังเสียงธรรมไปก่อนหรือจะอ่านหนังสือธรรมะก็ได้อ่านหนังสือธรรมะไปพอใจสงบก็หยุดอ่านปิดหนังสือแล้วก็นั่งหลับตาดูลมหายใจต่อไปนี่คือวิธีสร้างประโยชน์สุขให้แก่จิตใจวิธีเติมพลังเติมกำลังให้แก่จิตใจเพราะถ้าเรามีธรรมะแล้วใจของเราจะมีความกล้าหาญ มีความสามารถที่จะทำอะไรต่างๆที่เราไม่เคยทำมาได้เลยเพราะเราจะรู้จักตัวของเราว่าเราเป็นใครกันแน่ส่วนใหญ่เราจะไม่รู้จักตัวเราเองเราจะไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราแต่ความจริงเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจใจนี้เป็นเหมือนมนุษย์ล่องหนไม่มีรูปไม่มีร่าง มีแต่ความรู้สึกนึกคิดและก็ความสุขความทุกข์ที่เกิดจากความรู้สึกนึกคิดอันนั้นถ้าคิดไปในทางหลงก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเช่นถ้าไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราก็จะต้องทุ ก, ก์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายขึ้นมาเพราะคิดว่าตัวเองจะตายไปกับร่างกายนั่นเอง พอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะความหลงไปคิดว่าใจเป็นร่างกายความจริงใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายแก่ไปเจ็บไปตายไปหายไปใจก็ไม่ได้หายไปกับร่างกายใจก็ยังอยู่เหมือนตอนที่อยู่ขณะนี้เหมือนตอนที่มีร่างกายอยู่ เพราะใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันเหมือนสามีกับภรรยาสามีตายไปภรรยาก็ยังอยู่ภรรยาตายไปสามีก็ยังอยู่ไม่ได้ตายไปพร้อมๆกันนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการได้ฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้รู้ว่าความจริงของเรานี้เป็นอะไรกันหนะ้า ธรรมะท่านยังเรียกว่าเป็นเหมือนกระจกสองใจเวลาเรามองกระจกนี่เราจะเห็นแต่ร่างกายของเราเราจะไม่เห็นใจของเราถ้าเราอยากจะเห็นใจของเราเราต้องฟังเทศฟังธรรมฟังไปแล้วเราก็จะเริ่มเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยว่าใจของเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายเวลาร่างกายเป็นอะไรไปใจไม่ได้เป็นอะไรไปด้วย พอเรารู้ความจริงอันนี้เราก็จะเกิดความกล้าหาญเราจะไม่หวาดกลัวกับสิ่งต่างๆนานาเพราะเรารู้ว่าเวลาเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราและไม่ว่าเราจะดูแลรักษาร่างกายให้ดีขนาดไหนก็ตามเราก็ห้ามมันไม่ได้ที่มันจะต้องแก่มันจะต้องเจ็บมันจะต้องตายไป เมื่อเรารู้ความจริงอย่างนี้เราก็จะไม่มีความหวั่นไหวกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเราก็จะดูแลมันเท่าที่เราจะดูได้แต่ถ้ามันสุดวิสัยก็ช่วยไม่ได้เหมือนเราดูแลคนอื่นเราดูแลเขาอย่างเต็มที่แต่ถ้าสุดวิสัยจะเขาเกิดอุบัติเหตุหรือเขาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับตัวขาัาเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ เช่นเราเลี้ยงดูแลสามีเราภรรยาเราดูแลลูกเราแต่เกิดเวลาเขาไปทำอะไรขึ้นมาที่เราไม่สามารถยับยั้งได้เราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เช่นลูกเดินไปแล้ววิ่งลื่นห ก, กล้มหัวกระแทกพื้นเป็นอามาพึกเป็นอามาพาดไปเราจะทำอย่างไรเราทำอะไรไม่ได้เพราะเขาเป็นเขาเราเป็นเรา ฉันใดใจกับร่างกายก็เป็นอย่างนั้นใจก็เป็นใจร่างกายก็เป็นร่างกายเรื่องของร่างกายบางทีใจก็ไม่สามารถที่จะไปยับยั้งไปหักห้ามได้เช่นเรื่องของความแก่เรื่องของความเจ็บเรื่องของความตายไม่มีใครสามารถยับยั้งไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้แต่ถ้าเรารู้ความจริงว่าเขาไม่ได้เป็นเรา ถ้าเราห้ามเขาไม่ได้เราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับเขาเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาเราก็จะไม่กลัวกับเขานี่แหละคือประโยชน์ที่เราจะได้รับจะทำให้เรามีกำลังใจที่สามารถทำอะไรต่างๆได้อย่างไม่สะทกสะทานเพราะเรารู้ว่าเราไม่มีวันตายเราไม่มีวันสูญ ร่างกายตายไปเราไม่ได้สูญไปกับร่างกายถ้าเรามีธรรมเราก็จะไปสู่พบชาติที่ดีขึ้นไปตามลา ด, ำดำับจนไปถึงพบชาติสุดท้ายคือได้ไปเกิดเป็นพระพุทธเจ้าได้ไปเกิดเป็นพระอาหารหันต์เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้มาเกิดกันเพราะท่านได้ศึกษาธรรมะกันมาอย่างต่อเนื่อง ศึกษากันมาทุกภพทุกชาติมีโอกาสก็เข้าวัดทำบุญทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมกันจิตใจของท่านก็พัฒนาขึ้นไปตามลำดับจากขั้นที่หนึ่งก็สู่ขั้นที่สองขั้นที่สาขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุดในที่สุดพอถึงขั้นสูงสุดก็เรียกว่าเป็นชาติสุดท้ายตายแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป ไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไปเพราะได้เดินทางถึงบ้านแล้วได้ถึงพระนิพพานแล้วบ้านนี้เป็นบ้านที่ปลอดภัยจากความทุกข์ความทุกข์ไม่สามารถเข้าไปสู่บ้านนี้ได้บ้านนี้มีของทุกสิ่งทุกอย่างคอยอำนวยความสุขกความสะดวกไม่ต้องออกจากบ้านนี้ไปแล้วอยู่ในบ้านนี้ไปตลอด นี่คือบ้านที่พระพุทธเจ้าและพระอาลหลาตสาวกทั้งหลายกําลังประทับอยู่ในเวลานี้พระพุทธเจ้าไม่ได้หายไปไหนพระสาวกทั้งหลายไม่ได้หายไปไหนท่านอยู่ในนิพพานอยู่ในบ้านที่ปลอดภัยพวกเรานี่ยังไปไม่ถึงบ้านนี้พวกเราเลยต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะเรายังต้องใช้ร่างกายนี้พาให้เราไปถึงบ้านของเรานั่นเอง พอเราถึงบ้านของเราแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายอันนี้เหมือนกับเราขับรถถึงบ้านแล้วเราไม่ต้องออกจากบ้านแล้วเราก็ไม่ต้องใช้รถแล้วเราก็ไม่ต้องไปหารถใหม่ถ้ารถเก่าพังไปก็ทิ้งมันไปเท่านั้นเองนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราจะได้รับจากการมาฟังเทศฟังธรรมจะได้มีความเห็นที่ถูกต้องเมื่อมีความเห็นที่ถูกต้องว่า เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจเราก็จะไม่กลัวกับความแก่กับความเจ็บกับความตายของร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครเราจะรู้ว่าตัวเจ้าของร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเช่นพ่อไม่ได้ตายไปกับร่างกายของพ่อแม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของแม่สามีภรรยาบุดทธิดาไม่ได้ตายไปกับร่างกายของใค ร่างกายของเขาก็เป็นเหมือนกับเสื้อผ้าชุดหนึ่งเท่านั้นเองที่เขาเอามาสวมใส่พอร่างกาย น, นี้หมดไปเขาก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่เหมือนกับที่เรามีลูกมีล้านมาเกิดใหม่เขามาจากไหนเราก็ไม่รู้แต่พอเขามาอาศัยท้องเรามาเกิดจากเราเราก็ไปหลงรักเขาคิดว่าเขาเป็นลูกเราขึ้นมา ความจริงเขาอาจจะเป็นคู่อะไรกับเราก็ได้ในชาติก่อนเคยทะเลาะวิวาทกันเคยมีเรื่องมีราวกันแต่ชาตินี้เขามาอาศัยท้องของเรามาเกิดพอเกิดแล้วมาอยู่ร่วมกันก็จะมีแต่เรื่องตอราวพ่อแม่กับรูปบางคนนี้มีเรื่องราวตลอดเวลานั่นก็เป็นเพราะว่าอาดี ต, ตชาติมันมีปัญหากันมาจวน พ่อแม่กับลูกที่ไม่มีปัญหากันก็แสดงว่าในอดีตชาติไม่เคยมีปัญหากันมนาะนี่แหละคือเรื่องของใจและเรื่องของร่างกายที่พวกเราควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องเพื่อที่เราจะได้อยู่อย่างปราศจากความทุกข์ปราศจากความหวาดกลัวต่างๆถ้าเรายังหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายอยู่เราจะต้องทุกข์เราจะต้องหวาดกลัวไปกับการเป็นไปของร่างกาย ทั้งของเราเองและทั้งของผู้อื่นแต่ถ้าเรารู้ว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นของของของเจ้าของร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องอาศัยไว้ใช้ทําอะไรต่างๆเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งเท่านั้นเองถ้ารู้อย่างนี้เวลาร่างกายเป็นอะไรเราจะได้ไม่ต้องไปทุกข์กับมันและเราจะอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดจึงอยากจะให้ท่านทั้งหลาย พยายามมาวัดอยู่เรื่อยๆแล้วก็มาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อจะได้เกิดกำลังใจที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นกับร่างกายในอนาคตที่จะตามมาต่อไปถ้าเรามีธรรมแล้วเราจะไม่หวั่นไหวเราจะไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่มีธรรมเราก็จะวุ่นวายใจไปตลอดเวลา